ทวงติง่งก็ดูหมิ่นผู้ตักเตือนนั้นว่าเป็นผู้ยาวกว่าบ้างมีศักดิ์สีน้อยกว่าบ้างเขาหลงตนหลงอานาจวาสนาอันเป็นของชั่วคราวแต่เมื่อใดกรรมชั่วอันเขาสังสมวันละน้อยเพิ่มพูนมากขึ้นและวิบากแห่งกรรมดีแต่เก่าก่อนก็ลอยลอลงวันละน้อยจนหมดสิ้นไม่มีแรงต้านทานอีกแล้วเมื่อนั้น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 ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจึงชราใจทาอีกและทาไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบ่านไฟที่เท่ากรบไว้เข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอเท่าที่กรบไว้นั้นออกไปสิน้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉำใดบุคคลผู้มีกรรมชั่วก็ฉังเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่าง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 ไม่ยอมหวานพันข้าวลงในนาเขาเก็บพันข้าวปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หวานลงแล้วหนึ่งเม็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงชั้นใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ชั้นนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศาลการรวบรวมซับไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ซับนั้นจะมีคุณค่าแก่ตนอย่างไร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 ดูก่อนท่านทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสะโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทยเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมแต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้ใสตามต้องการไม่น้านั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตรณีก็ฉันนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุข แก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมาดาบิดาบุตรภรรยาบบา่ไพ่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุ ข, สาา เ, ปสขเปรียบเหมือนสะบกกรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นหน้ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัย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 ตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ําสายใดเป็นแม่น้ําตายไม่ไหลถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกระปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกรปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพันธุ์พืชธัญญาหารที่สวยสด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 อนิจจาชีวิตทาตุช่างลำบากและกังวลเสียมิกลายรับใช้ใกล้คิดเกินไปก็หาว่าประจบสอพอห่างเหินไปหน่อยเขาก็หาว่าทอดทิ้งธุระของนายพูดเสียงค่อยเขาก็ว่าไม่เต็มใจตอบพูดเสียงดังไปหน่อยเขาก็ว่ากระโชกฮกฮากไก่เล่าจะสามารถรับใช้นายได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตทาตเป็นชีวิตที่ลาเคินเหนื่อยยาก ทั้งๆที่เป็นอย่างนี้คนทาตส่วนมากก็เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและกะตัญญูเสรีชนด้วยซ้าไปส่วนมากคอยแต่ตลบตะแลงเอารัดเอาเปรียบและคดโกงมีตัวอย่างที่หาได้ง่ายสําหรับทาตซึ่งซื่อสั ต, ตย์กตัญญูและเสียสละต่อนายของตนแต่สําหรับนายแล้วหาได้ยากเหลือเกินที่จะเพียงแต่เสียสละ เพื่อธาตุเท่านั้นอย่าพูดถึงความซื่อตรงเลยนายส่วนมากมักจะใช้ธาตุไม่เป็นเวลาใช้วาจาหวานล้อมให้ธาตุหวังอย่างลมๆมแรงแรงเหนียวบาเหน็จทำความผิดน้อยก็เป็นความผิดมากส่วนความดีความชอบนั้นมิค่อยจะได้พูดถึง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 กล่าวถึงสัตว์อาชานายัยหมายถึงสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้วให้ควรแกการงานประเภทนั้นๆโดยในยะนี้สัตว์ทุกประเภทสามารถเป็นอาชานายัยถ้าได้รับการฝึกให้เหมาะแกการใช้งานแต่บรรดาอาชานัยด้วยกันบุรุษอาชานายัยหรือคนอาชานายัยประเสริฐที่สุดเพราะเหตุนี้พระธถาคตเจ้าจึงตรัสว่า บรรดามนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดคําว่าฝึกตนนั้นหมายถึงฝึกจิตของตนให้ดีงามรับได้ทนได้แม้ในภาวะที่คนทั่วๆไปรู้สึกว่าไม่น่าจะทนได้การฝึกจิตก็เหมือนกันกับการยกน้ําหนักต้องค่อยทําค่อยไปเมื่อได้ที่แล้วก็เป็นจิตที่ทนทาน และมีอภิเนหานเป็นอัศจรรย์ดูก่อนสุทัตตะผู้ตื่นอยู่วม่ได้หลับย่อมรู้สึกว่า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 จะมามัวห่วงใยอะไรกับของคนอื่นการที่ท่านเอาชนะสิ่งยั่วยวนต่างๆได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งยั่วยวนๆๆต่างๆอันยั่วให้กำนัด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 สำคัญมั่นหมายว่าโลกียสุขนี้เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงสแสวงหาแม้ยังไม่ได้ก็ดิ้นรนสแสวงหาอย่างเอาตัวตนมีชีวิตจิตใจเข้าไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึ่งใจก็รานหาความสุขอย่างใหม่ต่อไปแต่รวนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นสิ่งอื่น